50 languages. 67 x t y s e v e n a r a v a t h e e u Sapnam, sadang, kaam, pej, jeo, kaang. t Swamya suchaka s a r v a n a m a g a l u y a r d u v n t a k a n a d a k a เขาลืมแว่นตาของเขาอาวน้ตันน่ะขนรักกวนโมรติดดาไหเขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหนอาวนะคขนมรกกเยี ล, ลีเดนาฬิกากะดิ๊ารานาฬิกาของเขาเสียอาวน้กระดิ๊ยราคิติดเด นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้องก a ะดี่อะไรโกฎเมล์อเดหนังสือเดินทางพาสปรตเขาทำหนังสือเดินทางของเขาหายอาน่ตนาพาสปรตันโน่ลดุกนดดาเนแล้วเขาเอานังสือเดินทางไว้ที่ไหน อว่าพาสปอร์ตเอลล่เดยพวกเขาของพวกเขาอวารุอวาราเด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบอามักกะลิกอวราตันเดตายิอวรุสิกกิลลาแต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้วโว อัลลีอวระตันเดตาอยอวรูบรุติดดารคุณของคุณนิบุนิมมาการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิลเลอร์นิมมะประ y า n a hegitto ศรีมานมิลเลอร์อวเรพรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิวเลอร์ นิมมะมาดัดีเอลลิดดาร์ชรีมานมิลลาอาเวรคุณของคุณนิวนิมมะการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธนิมมะ prayana h e g i ต t ชรีมตีสมิธอาเรสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธ ಿิม ಮ ะยัจจมานะโรยิ್ลิดารีศรีมติสมิตตวเวร